บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงนัยยะแห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกถึงธรรมอันที่จริงคำว่าธรรมะนั้น ก็คือทรงสอนให้ตั้งสติระลึกรู้พร้อมด้วยการใช้ปัญญาปินิดปีจนาในธรรมะทั้งสามกลุ่มหรือจะพูดว่าทั้งสี่กลุ่มก็ได้ลักษณะของธรรมะเหล่านี้อันที่จริงแล้วก็ปรากฏอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นเรื่องที่มีความละเมียดละไม่มากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของอารมณ์กรรมฐานที่ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์ที่มีสติปัญญาแก่กล้าฉันใช้คำว่ามีทิฏฐิจริตแต่ก็มีปัญญาบากซึ่งถ้าหากว่า และพิจะนาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งโดยถอดแท้ก็จะปรับแนวทางทิฏฐิของตนเองให้ถูกตรงตามหลักที่เป็นความจริงอันแท้จริงในระดับนั้นๆได้เพราะอะไรประเรื่องของความจริงนั้นผู้วิจารจะทรงแสดงไว้เป็นสองระดับในแต่ละระดับ ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นหยาบเป็นกลางเป็นประนีตอยู่ในชั้นของตัวเองาการมองมองความจริงที่แท้จริงในชั้นนี้แม้เพียงสั ม, สมผัสได้เพียงระดับใด ร, ระดับหนึ่งก็เป็นการรู้ความจริงชั้นสมมติในระดับตอนนั้นและในที่สุดก็จะ ปรับจิตของบุคคลให้มีความประณีต ย, ยิ่งขึ้นไปในช่วงของสมมติสัจจะพราะในช่วงที่ประนีต ย, ยิ่งขึ้นไปนั้นจะไม่อไปเอาจริงเอาจังอะไรมากเกินไปกับสิ่งที่เป็นสมมติสัจจะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความจริงเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไป ใจก็จะรู้เท่าทันถึงกติธรรมดาบ่ามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองต่ความทุกข์ความโศกเป็นต้นซึ่งมักจะเกิดขึ้นยามที่ต้องพระราสูญเสียอย่างน้อยก็จะบรรเทาลงไปหรือแม้จะเกิดความโศกอยู่แต่ไม่รุนแรงหรือช่วงระยะมันสั้นลงก็ถือว่าได้รับผลจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงในระดับหนึ่งแล้ว ในขณะเดียวกันก็ส่งสอนความจริงระดับที่เรียกว่าปรมาจารย์คือความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นในความเป็นปรมัตาจารย์นั้นมันก็เริ่มขอบข่ายของปรมัตาจารย์ไปจนถึงจุดที่สมบูรณ์เต็มที่แต่ผลของความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นจะมีเนื้อหาอย่างเดียวกันแต่ปริมาณแตกต่างกัน น, น, นั่นคือการจางไปคลายไปบั่นเทาลงไปซึ่งกิเลสเนียพิชามีโทมนัตเป็นต้นนั่นเองก็ น, นี่ท่านสาวุชนทั้งหลายลองสังเกตว่าในส่วนของธรรมะที่เป็นกลางๆซึ่งในธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นทรงแดงทรงแสดงไว้ในรูปของขันห้ากับอายตนะ12สองซึ่งอันที่จริงก็ ก็คือเรื่องร่างกายในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่มีการแสดงที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปจากจุดเดิมเพราะไร้พระกายานุปัสนาสติปัฏฐานมันเหมาะสมหรับคนที่มีตัณหาจริตด้วยปัญญาน้อยด้วยคืนให้แกพิจารณาเรื่องลึกซึ้งก็งมองไม่เห็นพรง ก, ก็เอาตรงนี้ให้ได้ก่อน แต่บางครั้งไม่ได้สอนละเอียดขนาดนั้นจะสอนพิจารณาตามนัยยะของปิฏฐาปเจาเวกขณะเป็นการเรียนรู้ความจริงระดับสมมตุติเพื่อให้เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นในอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงชั้นปรมัตน์เพราะเมื่อพิจารณาตามนัยยะที่สวดกัน หรือพิจารณาในแง่ที่เป็นปรมาตสัจจะอย่างแท้จริงก็ตามความยึดมั่นถือมั่นในขันท่าทั้งหลายเหล่านั้นจะบรรเทาลงไปแต่พอเข้าถึงปรมาทิติสมบูรณ์ความยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปอย่างสมบูรณ์เพราจุดของการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสเป็นเหตุใ้เกิดยึดมั่นถือมั่นนั้นเราก็ทําให้เกิดขึ้นได้ในระดับต่างๆ เพียงแต่มีความเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจะมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนพยายามเรื่องความนาจวาสนาบารมีแต่คนที่ทําได้ปุ๊บปั๊บรวดเร็ว ท, ทันทันทีทันใดนั้นมีไม่มากหรอกบุกคคล4ประเภทที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนจะตัดสินสอนธรรมะตัดสินพระไตยสอนธรรมะที่ทรงศัสรุนั้นือสังเกตว่าบุคคลประเภทแรก จะเรียกว่าอาจรู้ธรรมไปยกหัวข้อขึ้นแสดงนั้นที่จริงก็มีอยู่น้อยบุคคลประเภทที่4ที่เรียกว่าปะทับประมะคือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันก็มีอยู่น้อยคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของวิบจิตันยูคืออาจจะรู้ธรรมะเมื่อชี้แจงอธิบายขยายใจความแห่งหัวข้อธรรมะเหล่านั้นแล้วก็เนยยะคือพอจะแนะนํา ร่ำสอนอบรมบรม่มนิสัยฝึกปรือกันไปเรื่อยๆขัดเกลากไปเรื่อยแล้วใจรับผนแห่งธรรมะตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งโบราณท่านมักใช้คําว่ายถาสัตติยถาพลังยถาสติก็คือตามสมควรแก่สถานะพลังก็คือกําลังกําลังของศรัทธากําลังของความเพียรกําลังของสติกําลังของ า ม, มั่นคงทางใจหรือสมาธิและกำลังของปัญญาก็เป็นไปตามนั้นถึงหมายความว่าใครมีกำลังมากก็ได้รับผลมากมปกำลังน้อยก็ได้รับผลน้อยแต่ต้องได้รับผลในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นทนเรยนสอนแนวพินหาปัจจเจกขณะก็คือสอนที่ขันห้าแต่ขันห้าที่เป็นตัวเป็นตนเรียบร้อยมองจากตัวจากตนไม่ไปแยกอะไรอย่างที่ทรงสอนไวในกายานุปัสสนา แต่ถ้าเราเห็นได้ระดับนั้นเราจะพบว่าความโศกความร่าไรราพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเวลาประสบประการสูญเสียพลาดพราดก็จะบรรเทาลงไปอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากเป็นโน้นที่เราพูด ง, ง่ายๆว่าความอยากมีอยากเป็นมันก็จะบรรเทาลงไป เพราะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นแม้แมเราจะได้จะมีจะเป็นก็ตามมันก็เพียงแต่เพิ่มสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาให้มากยิ่งขึ้นเพราะไรเพราะว่าเขาก็เป็นขันท่าเหมือนกับเราแต่ในที่นี้ก็ให้มองอเฉพาะกายต้งสอนในแนวในแนวของกายก็เอาเฉพาะรูปไปก่อนโดยเห็นว่าสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุนั้นเรามีมากเท่าไรมันเหมือนกัน อันเหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกับเรามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเยเราก็แปรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเขาก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ ถ, ถ้าเราทุกข์เราเดือดร้อน own, เพราะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเราถ้าถ้าเป็นจะนั้นเวลาเรามีมากเราก็เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นมากอย่างที่พระพุทธเจ้ารทรงแสดงไว้ให้เรามองขันท่าว่าเป็นภาระที่หนัก คือต้องแบกต้องบริหารต้องบำบัดต้องบำรุงต้องรักษาต้องดูแลใจใส่กเอาเฉพาะขันห้าเราก็หนักอยู่แล้วเอาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นดิค่าขันดีละห้าขันดีละห้าขันมันกลายเป็นภาระที่จะต้องแบกมากแต่ในขณะเดียวกันโลกชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องมีสิ่งเหล่านั้น ทำอย่างไรจึงจะมีโดยไม่ต้องแบกต้องหามมากเกินไปหรือว่าจาเป็นจะต้องแบกบต้องหามอยู่บ้างแต่รู้เท่าทันทมความเป็นจริงไม่เศร้าโศกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกไม่เป็นทุกข์ในอารมณ์มเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แล้วก็อยู่ที่ใจซึ่งรู้เท่าทัน เวลาแกเปลี่ยนก็รู้ว่าเปลี่ยนเวลาเย็นก็รู้ว่าเย็นเวลาร้อนก็ยุบรู้ว่าร้อนแบบธรรมชาติคือปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร้อนก็อยู่ให้ได้เย็นก็อยู่ให้ได้หนาวจัดก็อยู่ให้ได้หิวก็อยู่ให้ได้แม้แต่กระทบกับอารมณ์ซึ่งกระแทยกระทันยัวยุให้เกิดความกำหนัดยวยวนให้เกิดความกำหนัดไยุใหเกิดความขัดคืงก็อยู่ให้ได้ แแสดงว่าสภาพจิตติรู้เท่าทันนั้นจะไม่ถูกปัจจัยภายนอกหักเเบงบเี่ยงเบนให้ออกไปนอกคันลหล่อแข่งขมั่นอย่างน้อยเราคุมตัวเองได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดจะต้องพินิจพิจารณาบ่อยๆนถึงบ่อยๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงสงใชย้ยกันว่าอภินหปะปัจเจกขณะคือต้องนึกบ่อยๆสะสมไว้ภายในใจในลักษณะที่เรา พูดเกินถึงว่าสีคือมีความชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านั้นประทำอะไรจะทำได้เร็วคึณสังเกตว่าลักษณะของว่าสีที่มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญเนี่ยไม่ได้ใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะแต่เราใช้ทุกกรณีอะไรก็ตามที่ทำได้อย่างรวดเร็วรู้ทันอย่างรวดเร็วทำได้อย่างรวดเร็วแต่สินปัญหาได้อย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดผลดีในกิจการงานเหล่านั้น พอมาถึงกายท่านก็สอนในรูปย่อยออกไปกว่าเดิมหน่อยคือแทนที่จะมองกายที่จะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายจะต้องพัดพรากก็แยกกายมาดูแต่ตอ น, น, นแรกๆก็ไม่ถึงจะแยกก็ดูลมหายใจเข้าออกซึ่งถือว่าถ้ารู้เห็นตรงนี้ได้มันก็ไปได้ตลอด เพราะในอนาปาณสติกรรมฐานนั่นเองมันจะปรับเปลี่ยนจิตของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความประนีตส ง, งบขึ้นไปเป็นชั้นๆในช่วงแรกมันก็กลายเป็นเรื่องกายในช่วงที่สองอาการที่ปรากฏแก่จิตนั่นแหละแต่มันกลายเป็นอาการของเวทนาเช่นปีติความสุขความส ง, งบแล้วก็เป็นอาการของเวทนา และในการต่อไปก็เป็นจิตเป็นอาการของจิตที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นจากนั้นก็จะกลายเป็นอาการของธรรมะเป็นความเห็นความจางไปคลายไปความแปรปรบรวนความเปลี่ยนแปลงของนามและรูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นก็เดินไปได้จากอนาปานสติเอง เขตามมาเทศนาที่ส่งแสดงหลากหลายเพราะคนฟังมีความหลากหลายอารมณ์ในมาสติปัฏฐานสูตรจึงมีตั้ง21อารมณ์แต่หมายความว่าใครมีพื้นฐานอย่างไรปฏิบัติจากข้อใดก็ได้เราจะเห็นข้ออื่นตามไปก้อนี้มันสังเกตว่าเราจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งจะมองในแง่ของความไม่เที่ยง มองหเห็นในจุดเดียวคือจุดของความไม่เที่ยงจนเห็นตามความเป็นจริงในจุดนั้นแล้วจะเกิดความรู้ที่ต่อเนื่องกันไปเองเพราะถ้าไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้รักษาสภาพเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีสิ่งแผดเผาอาศัยเหตุปัจจัย จึงตั้งอยู่จึงเกิดขึ้นจึงตั้งอยู่แต่จึงเสื่อมสลายไปเพราะนั้นก็จริงมันก็ไม่ใช่ของเราเถ้าเป็นของเราก็ต้องอยู่กับเราได้ตลอดไปแล้วเราเองเลยกลายเป็นไม่ใช่ของเราไปด้วยเพราะตัวเราเลยไม่ใช่ของเราไปด้วยการสอนในแนวนี้ต้องใช้คาว่าอยู่ด้วยมนสิการถึงอารมณ์ของกรรมฐาน จริงเวลาสอนนั้นสอนพวกรูปนั่นแหละสอนนิยาต่างๆเช่นสอนอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหรือเครื่องนมงมพวกปัจจัยสีเนี่ยจะทรงสอนในแนวเดียวกันคือเวลาเราเกี่ยวข้องผุกพันกับสิ่งเหล่านั้นก็มีปัญญารู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงเพราะไรประลองสังเกตดูเถอะว่าในชีวิตของบุคคลเรานั้นมีปัญหากับพวปัปจจัยี เดือดร้อนเพราะการไม่มีเดือดร้อนเพราะการสแสวงหาเดือดร้อนเพราะการครอบครองเดือดร้อนเพราะการดูแลรักษาเดือดร้อนเพราะการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของปัจเจ sĩ ก็วุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านี้ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายแต่เป็นเรื่องจำเป็นต้องมีทีนี้มีแล้วเนี่ยทำยังไงอย่าให้เดือดร้อนการรู้เท่าทันในเรื่องปจัจเจ sĩ ทรงสแสดงว่าเป็นอริยบุมหรือเป็นบงของพระอริย แต่ปัจจัยสีนั้นเราสังเกตว่าจริงมันคือรูปธรรมคือสิ่งที่เป็นรูปนั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นกายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งที่เป็นรูปในขันธะมันก็เหมือนกันวันขันธะเป็นยังไงพวกปัจจัยสีมันก็คือกันเมื่อขันธะไม่เที่ยงปัจจัยสีแกก็เป็นขันธะอย่างหนึ่งแกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเราทรงสอนในตอนต้นนั้นทรงสอนใช้คำอยู่สามคำ เจวานิสัตโตนิชีโวสุญโยคือใช้คำอยู่สามคำให้มองอย่างนี้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นของว่างเวลารับประทานอาหารเราก็มองในแนวนั้นแต่มองในแนวนั้นตอนตอนตอน้ต น, ต น, ต น, ตนก็มองไม่ได้มองในแง่อย่างอัตภาพไปเป็นไปได้แต่ก่อน เรามองว่ารับประทานอาหารเพียงเพื่ อ, อยังอัตภาพมาเราให้เป็นไปเหมือนรถจำเป็นจะต้องมีน้ามันก็ใส่น้ำมันไปถ้ามองอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้มันจะเกิดบรรเทาความอยากในอาหารทั้งหลายคืออย่างไรก็อย่างน้อยที่สุดก็ไม่บริโภคเลยตัณหามีอะไรที่สามารถยังอัตภาพไปเป็นไปได้เราก็บริโภคอาหารเหล่านั้น มีคำบาลีที่ทรงใช้คำหนึ่งว่ายาบรรมัตตังคื อ, อยังอัตภาพไปเป็นไปอาหารจะดีจะเลวจะประณีตยังไงก็รับประทานไม่ได้ตัญหามราก็ลดลงไปในเรื่องอาหารการสแสวงหาก็สแสวงหาเท่าที่จำเป็นต้องสแสวงหาการบริโภคก็บริโภคเท่าที่จำเป็นจะต้องบริโภคไม่เดือดร้อนทั้งในช่วงของการสแสวงหา ทังในช่วงของตอนทีกก่แกไม่มีทั้งในช่วงของการสแสวงหาทั้งในช่วงของการไปพกใช้สอยทั้งในช่วงของความเปลี่ยนแปลงไปของอาหารเหล่านั้นผมะมรู้เท่าทันอยู่ตลอดจะน้อยในช่วงของการสแสวงหาตอนน้องคล้ายๆกับพระเดินบิดาบาัดหรือว่าทันสาธุชนทั้งหลายไปสแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง คือถ้าเรารู้เท่าทันว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่เป็นของว่างเปล่าอย่างน้อยก็จะบรรเทาโธมนัตอภิชาด้วยโธมนัตโดยลงไปโดยการทําใจเตรียมใจเอาไว้ว่าการสั่งงานในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งตามที่ตั้งใจไว้ก็ได้หรือจะได้สมตามปรารถนาก็ได้ แลือจะได้เกินตามที่เราปรารถนาก็ได้เพราะมันจะต้องออกมาในสอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ทํำยังไงใจคนตามปกติแล้วจะยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายคือถ้าสมปรารถนาเราก็ยินดีแต่ไม่สมปรารถนาก็ยินร้ายเมื่อกลายเป็นอาการของอภิชาคือความเพ่งหนึ่งโลภอยากได้กับโทมนัสคือความไม่พอใจความเสียใจความเศร้าโศกเป็นตน้น แต่ถ้าเกิดรู้เท่าทันในการเตรียมใจพร้อมไว้อย่างนี้ในช่วงของการแสวงหาถ้าผิดหวังมันก็ต้องมีอีตั้ง 75% เซนที่จะดึงจิตเอาไว้ว่ามันไม่ใช่มีทางออกทางนี้ทางดีมันมีอีกตั้งสามทางแต่พอดีวันนี้มันทางมาออกทางนี้เท่านั้นเองแต่่าได้สักครึ่งสักกึนใจมันก็นึกเทียบเคียงว่ามันก็ดีกว่าคนที่เขาไม่ได้เลย ยังไงเราก็โชคดีกว่า น, นั้นแต่จะไม่กำหนัดเพลิดเพลินเริงหลงเพราะยังมีอีกสองทางที่ดีกว่า น, นั้นก็ทําใจอยู่ตรงกลางได้แลว้วพอได้สมตามที่หวังก็จะไม่กำหนัดเพลิดเพลินจนถึงเฉลิมฉลองถึงชมยินดีมากเกินไปเพราะว่านีเพื่อนฝูงของเราหรือแม้แต่เราเอง อาจจะเจออีกสองทางคือผิดหวังด้วยประการทั้งปวงก็ได้สักครึ่งสักกึงเพราะฉะวันนี้มันก็ได้สมหวังแต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่แน่อาจจะผิดหวังด้วยประการทั้งปวงได้สักครึ่งสักกึงก็ได้ร้อนใจก็ไม่ยินดีเกินไปแล้วก็ไม่ยินร้ายเกินไปคือทาใจอยู่สงบเป็นงกลางๆได้หรือแม้จะได้ เกินที่ตั้งความหวังเอาไว้มันก็มีอีกตั้งสองประตูอีกสประตูเมือนกันที่อาจจะผิดหวังด้วยประการทั้งปวงหรือว่าได้สักครึ่งสะกึง่งหรือว่าได้ตามที่หวังตกลงว่าทาใจได้ขจัดอภพิชาโธปนัดตลงไปได้แต่แม้แต่ความโศกที่ทรงใช้คาว่าก้าวล่วงความโศกความร่าไรราพัน์ไปได้เราก็บรรเทาได้ลักษณะของความคิดปนพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ผมสังเกตว่าถ้ามองจากหลักของความจริงที่แท้จริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นมันก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากสติปัฏฐานหรือไม่มีอะไรอื่นไปจากธรรมะหรือไม่มีอะไรอื่นไปจากอริยสัจสี่เพียงแต่ว่าจะอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเองนั้นการกําหนดสติระลึกรู้ปัญญาพิจพิจารณาโดยอาศัยความเพียรพยายามที่จะให้รู้เท่าทันอยู่เรื่อยๆจึงไม่เจาะจงว่าจะต้องมีรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวการใหญ่อยู่ที่สติสัมปชัญญะและความเพียรซึ่งใช้ได้ถูกต้องในกรณีนั้นๆก็นี่บพงสังเกตกันบรรลุอริยมรรยผลของบุคคลทั้งหลายแม่แต่เราพระพุทธเจ้าเองก็อาศัยสิ่งที่เป็นรูปคือท่อนไม้เป็นเครื่องมือในการปีนิพพิจนะาพระปัญญกคีเองก็อาศัยขันหา ท่านปูกปูราจะดินทั้งหลายทั้งก็อาศัยไฟแสดงว่าพวกขันห้ามันก็เป็นรูปปลูกไฟเองก็เป็นรูปแต่ว่าพวกกิเลสคือไฟอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็เป็นนามมก็พวกราคะโทสะโมหะมันก็เป็นนามก็สรุปว่าสามารถที่จะบรรลุได้ในระดับต่างๆด้วยรูปและนา นนในชีวิตประจําวันท่านนึกเตรียยไม่ด้วยอย่างน้อยสักครึ่งสักกึ่งหนึ่งเวลาเกี่ยวเกาะสัมพันธ์กับเรื่องอะไรก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็นึกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นจริงอย่างแท้จริงแม้อารมณ์ที่ไม่ น, น่าปรารถนาเกิดขึ้นจากการถูกประสบประมาดดูถูกดูหมิ่นด่าว่าทั้งหลายมันก็เป็นนิสสตโตนิชิวะสุญญโญคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของว่างเปล่า จริงๆเราก็คิดว่ามันเป็นมันมีแต่ว่าโดยจริงๆแล้วมันตายแล้วมันดับไปแล้วมันเคยเกิดจริงแต่มันดับไปแล้วเพราะก็เมื่อเมื่อมองย้อนจุดนี้ได้มาแม่ไปถึงพวกอารมณ์โดยอแม่น่าปรารถนาทั้งหลายที่เป็นนามธรรมเจนความโกรธความอาฆาตพยาบาทความผูกใจเจ็บความริษยาเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นมันเคยเกิดจริงแต่มันดับไปแล้ว ถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญแก่มันมั น, น, นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่มันข้าวมันดับที่ใจคนอื่นแต่ยวมาอยู่ที่ใจเราใจคนอื่นเคยร้อนแล้วก็ดับไปแล้วแล้วเราไปรับสิ่งร้อนนั้นทำนองคล้ายๆกับคนก็โยนโยนไฟรรน аст, รรรออเราร้อนมาให้เรารับประโยน์ของเปื่นๆมาให้เรารับถ้าเราไม่รับเขาก็ร้อนคนเดียวเขาเปืนคนเดียวแต่ถ้าเรารับเราก็เปื้อนด้วยแล้วเราก็ร้อนด้วย เราร้อนเองคือเขาก็หายร้อนนะครับเพราะเขาโยนมาแล้วเพราะการใช้สติสมัมมาัญญาความเพียรในลักษณะรู้เท่าทัดรู้เท่าทันแนวนี้ทรงสอนขอให้รู้สักอย่างก่อนอะไรก็ได้ไปรู้จารตามความเป็นจริงสักอย่างก่อนเพราะดังที่กล่าวแล้วว่าเมื่อเมื่อมองโดยสรุปมันเป็นนามของรูปและนามรูปที่จริงมันก็อยู่ในอย่างเดียวกัน เช่นสมมติว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นรูปแต่รู่วมันคือไมโครโฟนนั้นก็เป็นนามตัวคนที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศมันก็เป็นรูปแต่ว่าจิตใจมันก็เป็นนามแม้ในรัยศัตริยเองก็เถอะตัวกรุมทุกษัตริย์นั้นก็เป็นรูปสมรภิยศัตร์ก็เป็นนามในรัตนศัติ์ก็เป็นนามมรรคศัตริย์มันก็เป็นนามเมื่อธรรมะในพุทสศาสารวมแล้วเป็น รูปนามอริสัตย์จึงเป็นรูปนามในนิพพานเองก็เป็นนามแต่ผู้ที่บรรลุ น, ลนิพพานที่ประกอบด้วยขันธ์หาน่ะเดี๋ยวจะพูดในชั้นสมมติไปก่อนเพราะเพราะในแง่ที่ป ร, ปรมัตจารย์จะพูดยากไปหน่อยเดีท่านบอกว่าแม้แต่ผู้บรรลุก็ไม่มีก็เอาใชว่ามีผู้บกกรรลุ ก, ก็เท่านันผู้บรรลุก็เป็นรูปยิ่ที่บรรลุก็เป็นนาม การศึกษารเรียนรู้ในแนวนี้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงในในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่แสดงแนวหยาบแนวกลางแนวละเอียดเป็นการเจาะลึกลงไปในจุดนั้นแหละที่จริงก็ไม่ใช่จุดอื่นอย่างนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลักใหญ่ใจความที่ทรงสอนมากโดยเฉพาะสอนชาวบ้านมากเป็นพิเศษแ้วก็พระ ก, ก็เหมือนกัน คือจะยกอากุศลกำหนดสิบประการขึ้นมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติแล้วอากุศลกำหนดสิบประการเป็นข้อที่ควรงดเว้นให้พึงสังเกตว่าก็ลึกลงไปเรื่อยจิตก็สงบเรื่อยความสุขก็เกิดขึ้นเรื่อย ก, กิเลสก็เบาไปเรื่อยอทำนองคล้ายๆก็เอาน้าําใสใสลงไปในสระที่มีน้ําขุนมันไม่ใช่นิ่ๆจะสะอาด ใส่เข้าไปใหม่ๆยังไม่เห็นอะไรเล้ทั้งไปแต่เมื่อปริมาณของน้ำใสที่ใส่ลงไปเรื่อยๆเด็กเราจะพบเห็นความจางไปกลายไปบรรเทาไปและถึงจุดหนึ่งความใสก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนความขุ่นหายไปแต่ขุ่นหายไปในช่วงแรกๆนั้นมันอยู่ข้างล่างจะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่าง วันใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าผลจากการปฏิบัติธรรมานั้นจะต้องเห็นการจางไปคลายไปตอนแรกอาจจะเห็นไม่ชัดก็ได้แต่ว่าเมื่อทําไปทําไปนั้นจะต้องเห็นสูงขึ้นกินเลสมันจะบรรเทาลงมากยิ่งขึ้นหรือแม้จะโกรธหรือจะพยาบาทตีต่างว่าเคยพยาบาทตั้งเป็นวันเป็นเดือนอาจจะเป็นวันเป็นคืนก็ได้แล้วเราพยาบาทหรือวันเดียว เหลือแดชั่วโมงเหลือเจ็ดชั่วโมงเหลือหกชั่วโมงเหลืออารมณ์อย่างเดียวมันก็แสดงว่าลดลงไปแล้วนี่แสดงว่าผลทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นตามกําลังของการประพฤติปฏิบัติแล้วเวลาเกิดข้อก็เกิดทั้งหมดเขาเกิดครบชุดขาวไม่จะเกิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเช่นสมมติว่ากิเลสแก่สงบลงไปความโอบสงบลงไป ความทุกข์ก็สงบตาไปด้วยแสดงอะไรแสดงว่าความสุข ก, ก็สูงขึ้นซึ่งหมายความว่าเราอยู่ในองค์มรรคมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมองจากสายของอธินาทานในตอนต้นก็คุมกิเลสประเภทที่อยากลักขโมยคนอื่นไประดับที่สองก็คุมกิเลสประเภทที่ใช้คนอื่นให้รักขโมย ระดับที่สามก็คุมกิเลสประเภทที่พอใจยินดีกับสิ่งที่ได้มาโดยอาการเขมือพอถึงระดับที่ห้าใจจะไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทมแม้จะเป็นความประนีตยัยงไงก็ตามแต่เราจะเห็นว่ากิเลสมันก็ลดลงไปความทุกข์เพราะเรื่องนี้เป็นเอกก็ลดลงไปความสุขความสงบใจก็สูงขึ้น แสดงว่าเราเข้าถึงอริมรักเพิ่มขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นสันทิฏฐิกังเป็นสันทิฏฐิโ ก, กคือเห็นได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจ ต, ต่งวิริยตโปบินญุชิคือเรื่องที่บินญูชนจะรู้ได้ด้วยใจกันตัวเองแล้วความยินดีในธรรมะก็จะผลักดั น, รร น, ดนกระตุ้นเร่งร้าให้ใช้ความเพียรพยายามความมุ่งมั่นการวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลเหล่านั้นให้ประณีตมากยิ่งขึ้น ต่อตานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป